พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่8ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าหุบเล็บไว้ก่อนวันนี้เป็นวันปววระวัณา แต่เมื่อถึงวันปวารณาในหลักพระธรรมวินัยท่านก็ให้ประชุมประสมสงเหมือนกับวันลงอุโบสถเมื่อมาประสมพร้อมกันแล้วก็จะมีการสวดประกาศหรือว่าสวดความพร้อมของพระสงฆ์เหมือนกับ เ, เราจะลงอุโบสถ ว่าความพร้อมของพวกเราพร้อมแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันอุโบสถสวดประกาศให้กับส่งในเมื่อสวดประกาศพร้อมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เป็นหัวหน้าอย่างผมนนะ่ที่เป็นหัวหน้ามู่คณะจากนั้นก็พวกเราก็นั่งกระจงประนมมือพร้อมกันว่านโมสามจบ นอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพอน้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วกับผมขอปรนรณาเป็นองค์แรกแต่หมู่พวกเพื่อนก็นั่งกระยงปรนมมือองค์ไหนพูดจบเลือว่าปรนน่าจบก็นั่งลงเป็นออค์ตีละองค์ละองค์ละองละอ ง, อ ง, องออจนเป็นถึงองค์สุดท้ายก็ คงจะใช้เวลาเพราะสมควรแต่แตามไม่จริงถ้าว่ามีพระมากกว่านี้เราก็อายุพรรษาใกล้กันพรรษาใกล้กันกับปรวรณาพร้อมกันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าของรองก็ไม่ถึงมากถึงขนาดนั้นทำอะไรมักง่ายเกินไปก็ดูจะไม่ดีเพราะนั้นเราจึงคิดว่าน่าจะไหวเพราะเองผมเองก็เคยอยู่ ที่วัดป่าบ้าตัดหลวงตาท่านก็ให้ทําอย่างที่ผมทํานี่แหละอันนี้เราก็ต้องบูดูตามพ่อก่อตามครูดูตามครูบาอาจารย์ที่ท่านพาลาเนินแต่ถ้าว่าพระมากอย่างที่วัดดอยธรรมจีดีพระเป็นมาเป็นม า, ป, นมาปรนรณาเป็นหลายร้อยองค์ท่านก็จัดเรียงลําดับอายุพรรษาเป็นว่าพรรษา10หรือพรรษายี่ หรือพันษา30เอาพันษา30เอาก่อนแล้วก็พรนษา25รุ่น25้าแต่ว่า26ขึ้นไปหา30ชุดหนึ่งชุดที่21ไปหา25่้าชุดหนึ่งชุดที่16ไปหา20ชุดหนึ่งลักษณะอย่างนั้นแ่ะคว่าทำ ปวาวณาเป็นชุดถ้าหากว่าปราวณาแต่ละองค์ไม่ไหวเพราะมันพระมากอันนี้ก็คือแนวหนึ่งสำหรับพวกเราให้เรียนรู้ให้ศึกษาเอาไว้เมื่อพระมากเราควรํำยังไงเมื่อพระน้อยเราควรทำยังไงนี่จากนั้นเราก็ได้ภาวนาเป็นองค์ๆแล้วความแปลและความหมายของการปราวณาที่ผมก็เคยพูดให้กับมู่พวกเพื่อนฟัง อันนี้คือพระพุทธเจ้าทรงมัญญัตวินัยในครั้งกนุนพระว่าพระสงฆ์อยู่ด้วยกันถ้าไม่มีการปรารณนากันการไม่มีการว่ากล่าวตักเกือนซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างใหญ่อ่ผลที่สุดก็เลยมันไม่เป็นผลดีในการอยู่ร่วมกันเพราะทั้งที่เห็นว่าการกระทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ไม่ได้ไม่กล้ากล่าวไม่กล้าบอก เพราะเหตุไรเพราะไม่มีการปรวรณาตัวไว้แต่ถ้าว่ามีการปรวรณาตัวต่อสงขึ้นมาสงทั้งหลายก็พร้อมที่จะร่วมกันหรือว่าองค์ใดองค์หนึ่งบอกกล่าวเราก็จะได้ย้อนว่าท่านท่านก็ได้ปรวรณากับสงไว้เนี่ยวันนั้นพวกเราเขอเตือนตามที่ได้กล่าวกันไว้อันนี้ก็คือการ กล่าวแต่ถึงยังไงก็ไม่ถึงจะมีทิฏฐิมานะถึงขนาดนั้นถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความหวังดีต่อกันถ้าหวังมักห ว, หวังผลต่อกันแล้วก็ไม่ควรจะใช้ทิฏฐิมานะต่อกันมีอะไรพูดในก็ต้องฟังเหตุฟังผลแต่ถ้าหากว่าหมู่พวกเพื่อนว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่เป็นอย่างที่หมู่หมู่เพื่อนว่ากล่าวตักเตือนพะเข้าใจผิดเนี่ย เราก็ชี้แจงอธิบายให้ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนได้ฟังไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอันนั้นคงเข้าใจผิดมั้งมันเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราก็ไม่ได้แก่ตัวแต่ว่าก็ต้องชี้แจงตามหลักเหตุผลเพราะว่าพวกเราก็ไม่ใช่ว่าติดตามทุกวี่ทุกวันทุกเวลยรเวลาเพียงแต่ว่าเข้าใจผิดอาจจะเข้าไปจับประเด็นมหนึ่งมาใส่ประเด็นหนึ่ง มันอาจจะไม่ถูกต้องในเมื่อทําความเข้าใจกันแล้วก็เออจบไปไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่ในการว่ากล่าวตักเตือนอสําหรับผู้น้อยจะว่ากล่าวตักเตือนผู้ใหญ่อันนี้พระวินัยท่านมีอย่าไปพูดปแรบบับธรรมดากระโชกหอกหากไม่ได้ปรับอบัติทุกกฎเพราะขาดความเคารพขอโอกาสครับทานายจานอาจารย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้คิดอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นยังไงครับผม ม, มันมหมู่พวกเพื่อนแล้วว่ามีมีความเห็นแย้งกันอยู่ท่านอาจารย์พูดอย่างนั้นนะ่มันถูกไหมครับถ้าเราเตือนไปท่านก็เออใช่เป็นความผิดผิดแล้วครับผมก็ลืมสํานึกไปอันนี้กเออ็เป็นการบอกกล่าวเป็นการเน้นย้าการคิดการพูดกระทำของครูบาอาจารย์ ต, ต้องขอโอกาสท่านก่อน แต่ถ้าว่าเป็นพระผู้น้อยพระผู้ใหญ่ก็ถามเออท่านได้ยินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงไหมเนะ่ยเรามัดระวังนะอันนี้คือหลักพระรมวินัยนะต้องระวังจะไปทตาตำอัถาแจอเภอใจได้ยังไงเราบวชมาเป็นพระสากยบตรเราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะอันนี้ก็คือการพูดแบบให้พระที่มีอายุพรรษาน้อยกว่า เพราะหลักธรรมวินัยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างคนก็ต่างประคับประคองต่างคนก็ต้องรักษาหลักพระธรรมวินยัยจึงจะถูกต้องไม่ใช่ว่าเราดูด่าว่าเก่าว่าเด็ดตีนขาดเมือกับเป็นหลักพระธรรมวินัยของตัวเองอย่างนั้นก็ไม่ถูกอย่างผู้ที่กระทําผิดก็เหมือนกันเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็ต้องคํานึงถึง หลักวินยัยหลักธรรมวินยัยเพราะเป็นของกลางเป็นของส่วนรวมในเมื่อเราทําผิดมันก็เสียหายทั้งหมู่ทั้งคณะอย่างประเทศชาติก็เหมือนกันเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเราจะไปทําผิดกฎหมายเมืองไทยก็ไม่น่าจะถูกเพราะเขาตั้งกฎกติกากันไว้แล้วแต่ตัวเองไปทําผิดทำผิดเข้ามาก็เสียหายทั้งประเทศทั้งชาติไทยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ อยู่ในหลักพระธรรมพินัยก็มันลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอยู่ด้วยกันถ้าจะออกพรรษาไปแล้วไปนะัดเทศานที่ใดก็ตามให้รักษาคุณงามความดีของตอนเองในสิ่งใดอย่างไรที่มันไม่ดีอย่าไปคิดพูดทำในสิ่งนั้นๆให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยถ้าอยู่ในกรอบหลักหลักพระธรรมวินัยถึงถึงฉันโง่อย่างไงก็จะเป็นพระที่โง่น่าเคารพนับถือเลื่อมใส ถ้าจะฉลาดก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปถ้าว่าโง่หรือฉลาดก็ตามทําแต่ความชั่วเสียหายอันนั้นแปลว่าหน่าตําหนิถึงจะฉลาดก็น่าตําหนิถึงจะโง่อยู่แล้วก็หน่าตําหนิเพราะอะไรเพราะไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยแต่ตัวเองฝังอยู่ในศาสนาออใช้ผ้ากาสาวพัตถ์ของพระพุทธเจ้าหุ้มทัว เหมือนเป็นนักพจนนักปวดแต่ที่แท้ไม่ใช่ไม่ใช่นักพจนักปวดอย่างนี้ อ, อัน น, าาน่าตำหนิเรียกว่าพระไม่มีฮิลิไม่มีอตตาปะพระอารัชีอารัชิตาพระไม่มีอย่างอายก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นผมขอให้พวกเราทุกท่านนะก่อนที่จะปภาวณาผมก็ได้เรียนหรือบอกกล่าวให้หมู่พเพื่อนได้รับทราบให้อยู่ในหลักพระธรรมวิ น, นัย และ ก, การปราณนาตัวกู่บาอาจารย์หมู่พกเพื่อนเห็นการกระทำของผมอย่างผมป ร, ประกาศก่อนเพื่อนอพวกท่านทั้งหลายาลูกศิษย์ลูกหาน้องถุนทั้งหลายเห็นการกระทำของผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจซึ่งในข้อตามขอให้พวกท่านทั้งหลายว่ากาวตักเตือนผมได้ผมยินดีรับฟังและกัปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง เห็นว่าถูกต้องตามหลักพระธรรมพินัยต่อไปแลองค์ที่สองกับประวัตินาอีกคออครูบาอาจารย์หมูพวกเพื่อนทุกองค์ถ้าเห็นการกระทาของผมด้วยกายวาจาใจก็ขอว่าข่าวตักเตือนผมได้ผมจะได้สำรวมระวังต่อไป น, นก่ก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนี่แหละในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าผมได้อ่า น, นได้พระไตรปิฎกท่านก็ยังได้ประกาศได้ประวัตกับสงเหมือนกัน เออพอท่านบัญญัติพินัยจุดนี้เกิดขึ้นแล้วท่านก็นบอกว่าเอาปวารณามหาปวารณาพระพระองค์ก็ไบอกดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอท่านทั้งหลายเห็นเราตถาคตเห็นเราเการคิดการพูดการทําของเราที่ไม่ถูกต้องขอขอให้พวกท่านทั้งหลายว่าการเอตักเตือนเราได้เรายินดีรับฟังนี่แหละจุดนี้ก็คื อ, พ, อพระพุทธองค์ได้ประกาศแต่พร้อมกันเขาก็ ได้พูดขึ้นพระสารีบุตรั克รสาวกเบื้องขวานั่งกยงปนมมือประคองอัญชลีด้วยความเคารพในเรื่องอย่างนี้ขอพระองค์ขอากราบพระราสนาพระพุทองค์ไม่ควปรปวารณาต่อส่งเพราะว่าพระองค์เป็นพระสยามภู ร, รู้แย่งโลกรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกข้าพระองค์จะต้องในปวารณาขอพระองค์จะได้ขอจะได้ปวารณากับส่งเลยเพราะพระองค์รู้ รอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระองค์ก็บอกว่าเออบางทีอาจจะมีอันนี้คล้ายๆข่าวาพระองค์ก็ยังอยู่ในชุมชนในหมู่มนุษยชาติพระองค์ก็ได้ประวรณนาแต่ก็คงจะประวรณนาเพียงครั้งเดียวแต่ครั้งนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เราในพระไตรปิฎกท่านก็ไม่ได้พูดให้ชัดเจนอันนี้ผมได้ยินผมก็เออซึ่งในพระมหากรุณา ที่คุณของพระพุทธองค์ที่ได้ประวรณาถึง อ, อย่างไรใครพระองค์ก็รู้รู้รอเป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วความผิดจะได้จะมีจากที่ไหนแต่พระองค์ก็ยังยอมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่นสถานที่ใดเราเป็นใครขนะพระพุทธองค์แท้ๆท่านก็ยังยอมปรณาต่อส่งเราทุกองต้องปรนา จะเป็นระดับไหนขอให้สงเป็นใหญ่ให้สงเป็นผู้บอกกล่าวหรือแนะนำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้อยู่ในหลักพระธรรมพิไไนนายพระอนขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันมหาปรวรรณาที่ผมได้ทำความพอใจกับหมู่พวกเปิดแล้วตอนนี้ไปนั่งกยองปนมมือแล้วก็ก่าวสวดยติครมา วันนี้เป็นวันประวรณัณนาออกพรรษาแล้วก็วันที่สิเอเป็นวันกระถินของวัดป่าบ้านตาดแต่เราก็คงไม่ได้ไปผมคงไม่ได้ไปเพราะว่าผมไม่เคยไปแต่ถึงยังไงเราก็ให้ความใส่ใจสนใจเพราะว่าบ้านพ่อแต่มียังไงแล้วก็วันที่สิบสองเป็นวันกระถินวัดของเรากระถินปีนี้ผมก็ ได้ประกาศได้ตั้งใจเอาไว้เพราะว่าทางคณะกรรมการหรือว่าตกลงกันแล้วทางบานตาผมก็ไม่ได้เข้าไปก้ากายหรอกตกลงกันว่าจะมีการสร้างเจดีแน่ทั้งสถาปนิกทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วกพระ อ, องค์เจ้าสิทธิพาจุธาพรที่เป็นลูกสาวของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงก็ได้มาตรวจ ราดูสถานที่ที่จะสร้างข้าสงฆ์เจ้าวาดเขาก็ชี้จุดสถานที่อย่างที่ท่านต้องการคือทางนอกที่มีปัญหากันไม่ลวดเท่าไรเท่ะไรแต่นี่กิคิดว่าน่าจะลงเกมกันได้คิดว่ามาดูสถานที่แล้วเขาคิดว่าคงจะสร้างเจดีย์ข้างนอกแล้วก็วัดของเราผมเองก็ได้ประกาศต่อ หน้าฐานะกำนันต่อหน้าทุนกระหม่อมหรือว่าท่านักทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและกัพี่น้องประชาชนเป็นโลกี่ร้อยกี่พันคนว่าวัดของเราเนี่ยจะรับเป็นจะรับหาทุนกลุ่มของเราเนี่ยคณะตัดทายาตโยมกลุ่มของเราเนี่ยจะรับหาทุนห้สบล้านบาทเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาทําไมผมจึงพูดในช่วงนั้นเพราะว่าผมไม่มั่นใจ ในการสร้างเจดีย์ในช่วงที่วางซีลรเลิกได้เงินเพียงปิด80ล้านบาทแต่ผมเองก็ได้กระซิบกระซาบถามผู้ที่ออกแบบผมก็มาพิตกกังวลในช่วงนั้นเพราะว่าใครจะเป็นคนเซ็นสัญญาถ้าเงินเพียงแค่นี้แล้วก็จะสร้างเงินถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมได้ผมก็เลยตัดสินใจเอาเอาเถอะคือส่วนหนึ่งเราไม่ถอยจังไก่จะหาสมทบทให้ได้ เพื่อสร้างเจดีย์องหลงตาผมก็เลยได้ประกาศอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนั้นคือออกมาจากใจจริงของผมแล้ะผมก็มั่นใจอีกว่าไม่มีปัญหาแล้วก็มาถึงจุดนี้ก็จากนั้นมาขอยังไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรเพราะยังความเห็นยังไม่ลงรอยกันคนหนึ่งชี้ทิศทางหนึ่งคนหนึ่งชี้ไปทางหนึ่งก็เลยยังไม่แน่แต่คราวนี้ ทั้งผู้ออกแบบอาจารย์มหาวิทยาลัยาทั้งทุนก็หม่อมเข้ามาดูแล้ก็เจ้าอาวาสชี้จุดสถานที่ก็ว่าของไม่มีการขยับคิดว่านะแต่ก็ยังไม่แน้โลกในโลกอนิจจังแต่ว่าจากนั้นมา ก, ก็นี่นะคิดว่าปีห้าดนี่น่าจะได้ลงมือเพราะนั้นวัดของเราปีนี้กระถินปีนี้ผมก็เลยตั้งหลักตั้งต้นว่า กรินของเราปีนี้น่าจะรวบรวมเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาถ้าเงินกระถินได้มามากน้อยอย่างไรแค่ไหนเราก็จะรวบรวมยอดเพื่อสร้างเจดีย์องค์หลวงตาอันนี้ก็คือความตั้งใจของผมที่ผมได้บอกกล่าวคณะทศไทยญาติโยมพร ะ, ะเนรทุกองค์มาที่มาทอดกรถินปี 5เ็ดแต่ที่ยังไงที่น้องนุ่งทั้งหลายกูบายอาจารย์ทั้งหลายวัดทั้งหลายจะเข้ามาร่วมสมทบเข้ามาร่วมงานขดถินก็นิมนต์ตามอัธยาศัยก็วันที่12ตุลาวันอาทิตย์ผมก็เองก็ไม่ได้เน้นหนักหนักหนาอะไรไม่ได้หนักใจ เพราะว่าการสร้างเจดีย์ก็ไม่ใช่ว่าสร้างปุบ ป, ปรับก็คงจะสร้างทำไปเรื่อยๆกลาวไว้ประมาณ3ปี 12, 3, ส6แต่ทั้งที่แรกเขาว่าประมาณ30เดือนผมว่เอาเถอะเอา36เดือนก็นแล้วกันสองสปีทั้งพิพิธภัณฑ์ด้วยทั้งเจดีย์ด้วยอันนี้เมื่อขยับทางนู้นเราก็ควรจะเตรียมทางนี้ถ้าเมื่อได้ใช้จ่ายอะไรแตามัน ได้ใช้เราพยายามทยอยงวดงานทีละงวดละงวดเสริมเข้าไปทีละงวดละงวดเท่าที่กําลังเราจะให้ได้แต่ถ้าหาว่าทางนู้นรวยไม่มีปัญหาเพียงพอเงินเพียงพอเราก็อาจจะขยักออกมาใช้ในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ที่วัดเราก็ได้เพราะเราก็ยังคิดอยู่เหมือนกันแต่ให้เราทําก่อนเรา คงไม่ทําเพราะจะต้องให้บ้านพ่อขึ้นก่อนให้บ้านพ่อขึ้นก่อนเมื่อผ่านบ้านพ่อขึ้นแล้วนะแค่ว่าเพียงพอแล้วปัจจัยไม่มีปัญหาเรายังค่อยจะออกมาสร้างสร้างที่ไหนก็สร้างเพื่อบูชาพ่อเหมือนกันคือองค์หลวงตาเหมือนกันแต่ถ้าหลวงปู่ลีที่ท่านสร้างเราก็ไม่ได้ว่าเพราะหลวงปู่ลีอายุเท่าไหร่เหมาะสมอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงที่ท่านจะสร้างอันนั้นเราก็ยินดีอนุโมทนา สมทบกับท่านไปเหมือนกันแต่ว่าถึงยังไงของหลวงตาเนี่ยพวกเราควรจะให้หลวงตาเนี่ยขึ้นก่อนเพราะหลวงตาเนี่ยเป็นผู้บังเกิดข้าวต่อบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายอันนี้ผมก็เด่นึกคิดอย่างนั้นละ่ะผมจึงได้ประกาศออกไปแล้วก็จะได้รวมสมทบในการหาทุนสร้างเจดียขององค์หลวงตาและพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอย่างที่ผมได้กล่าวนะกระตินปีนี้ก็อย่างที่ผมได้ เรียนให้หมู่พวกเพื่อนได้ทราบนะเรื่องจะตุปัจจัยที่ได้มากรนั้นได้มาโดยเป็นธรรมแล้วจ่ายไปกระจายโดยเป็นธรรมปีนี้เราก็ได้ช่วยทางโรงพยาบาลสีนคกเรียนซื้อเครื่องมือแพทย์เมือ่อสองสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ให้หมอบไปแล้วเครื่องมือตัวนี้ล้านเจ็ดแสนแล้วก็ อำเภอจังหวัดนองพลําพูเครื่องกระตุ้นหัวใจอันนี้ห้0แสนวัดของเราจะต้องได้จ่ายอีก 200,000 กว่าเป็นเครื่องอบอบเครื่องมือทําความสะอาดเครื่องมืออันนั้นสองแสนกว่านั้นเสียตต้เสียต้อมเขาจะเป็นผู้ถวายเป็นบผู้มอบให้นะแต่ถวายในานามของวัดเรานะแต่ว่าเรื่องเครื่องตุ้นหัวใจในะยังอยู่เรายัางเป็นหนี้อยู่ 500้าแสนแล้วก็พร้อมกันโรงเรียนอาเภอน้ำโสมโรงเรียนโรงอาหารของเด็กอันนี้ก็สามแสนนี่ก็ยังไม่ได้จ่ายพอมเมื่ อ, อไรเราคงจะหาให้เขาอันนี้คือเขาจ้างสร้างประมาณล้านสามเขาได้เงินมาหนึ่งล้านยังขาดถูกสามแสนทำไม่ได้ผมก็เอา้าทำเลยเดี๋ยวจะหาให้อันนี้ผมก็จะหาให้เขาอีกสามแสนเพื่อ อาคารเด็กนักเรียนอาคารเลี้ยงเด็กโรงอาหารเขาแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เองโรงพยาบาลศูนย์ขอนแกน่นเมื่อเขาได้เมื่อเขาได้เครื่องทางโรงพยาบาลศรีนครินได้เครื่องผ่าตัดโอลิปัส้วยความถี่สูงไปเห็นเขาแล้วกัทางโรงพยาบาลศูนย์อยู่ใกล้กันเขาก็อยากได้ เครื่องมือตัวนี้เรามาหาผมเมื่อวันสองสามวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็เออเอาได้กับร้านเก็ดเหมือนกันอันนี้ผมคิดว่าคงจะหาให้เขานี่แหละแล้วก็เรื่องรถแอมบูลานที่เราไปสวดมนต์อยู่ที่กรมช่างทหารอากาศเขาถวายมาให้ซื้อรถผมก็สั่งซื้อรถทาง บริษัทโตโยต้าอุดรเขาก็ไม่มีการมัดจงมัดจำเ่ยแปลว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาอง์ลงตาเขาก็มามอบให้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน ะ, ะเราก็มอบให้โรงพยาบาลมาถึงแล้วเราก็มอบเลยเราไม่เก็บไว้ในวัดเพราะกลัวจะหนูอะไรกัดเสียหายมันยากเราก็รีบมอบให้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้ราคาล้านก้าเป็นเงินของเจ้ากรม ปูนสืบที่เป็นหัวหน้ากับกลุ่มคณะที่ถวายปัจจัยมาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ผมขอแจ้งหรือว่าบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มเดียวกันให้ได้รับรู้ ร, รับทราบแต่บางหมู่บางคณะก็ได้พูดเนบแนมมาเหมือนกันบอกว่าหลวงพ่ออินถวายอะไรทําอะไรออกไปขี้อวด อวดอ้างทำนั้นทำนี้แต่ตาไม่จริงท่านผู้ที่ได้ฟังธรรมเทศนาแล้วฟังเทศหลวงตาพูดทุกเช้าก็คงจะพูดคำนี้ไม่ได้อันนี้คงจะไม่ได้ฟังนะหลวงตาท่านพูดยั ง, ง่ายเพื่อใครหลวงตาพูดเพื่อลงตายใช่ไหมถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งไม่น่าจะใช่ผมพูดเพื่อผมใช่ไหมผมก็คิดว่าผมไม่น่าจะใช่ผมพูดจริงอยู่เพื่อผมพูดนั้นจริงอยู่ แต่ผมพูดเพื่อสาธารณะเพื่อสงเพื่อสงยังไงถ้าพระสงฆ์ทั้งหลายไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ส่วนกลางส่วนรวมซะเลยทั้งที่มีอติเลกขลา่าพอเป็นไปได้ก็ไม่ได้สงเคราะห์โลกเขาก็ประนามผมคิดว่าโลกประนามมือพระสงฆ์เป็นกาฝากของสังคมไม่ได้ช่วยอะไรอะไรเลยกับชั้งสังคมแต่วิ ที่การสอนแนะนําสั่งสอนธรรมะให้กับชาวบ้านนะ่ะเขามองไม่เห็นจุดนั้นเพราะมันเป็นนมามธรรมเขามองเห็นแต่รูปประธรรมการสงเคราะห์อนุเคราะหนะ์เนี่ยเพราะนั้นหลวงตาท่านจึงให้ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมอ่ทั้งนมา ม, านมะธรรมด้วยทั้งรูปประธรรมด้วยอันนี้พวกเราเป็นนุสิทธิ์ญานุสิตก็น่าจะเดินตามหลวงตาผมเห็นด้วยเพราะเขาเคยโดนประนามมาแล้วแต่สมัยอยู่เป็นเลนกับหลวงปู่ละสมัยนคะรมณฑ์ ขึ้นมาดังไปทุกถั่วละแห่งเขาจะให้คนเสมอกันมีความร่ำรวยเสมอกันแล้วก็เขาจะเน้นว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นกาวฝากของสังคมให้สังคมเลี้ยงหลวงปู่ล่ากูบายจารในยุคสมัยนั้นก็ตื่นตัวพอสมควรเพราะนั้นผมว่าการที่บอกกล่าวนี้เพื่อใคร หลวงตาอยากในหน้าใช่ไหมก็ไม่ใช่หน้าหลวงตาไปไหนเดี๋ยวนี้ก็พระราชทานเพลิงไปแล้วและอีกไม่นานหลวงพ่ออินก็คงจะพระราชทานคงจะประชุมเพลิงเหมือนกันหน้าจะไว้ที่ไหนได้อะไรแต่พุทธศาสนาเสียหายไหมที่พูดไปก็ไม่เสียหายคนทั้งหลายได้ยินก็ออืทําบุญทําทานไปก็พระสงฆ์ท่านก็นํา มาเป็นขอบกรรมเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมเชื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อใครสร้างที่บ้านพักคนรับคนมาเยี่ยมป่วยเพื่อใครเหล่านี้เป็นตน้นรอนแล้วแต่เป็นของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมแต่เราหนักใจไหมถ้าหนักแกเราจะไม่ทําเราพูดอย่างนั้นเพราะเราอยู่อย่างพระถ้าสิ่งไหนเดือดร้อนจําจะไม่ทําถ้าจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนแพลขอไม่รู้จักจบ แล้วก็ดีกานิมนต์ผ้าปาทอดอยู่ไม่รู้จักจบอันนั้นเราก็ไม่ควรจะทำเพราะอะไรเพราะทให้คนอื่นร้อนร้อนพวกอยู่ใกล้ชิดเดือดร้อนตอนนี้เราถามเลยสิว่าคนที่มาใกล้ชิดหลวงพ่อเนี่ยเดือดร้อนไหมหลวงพ่อเคยมีดีกาเนี่เคยมีดีกาแผ่ขอไหมที่มาอยู่กับผมพวกท่านทั้งหลายคงจะรู้นะผมไม่เคยในในสิ่งเหล่านั้นได้มาโดยเป็นธรรม บางทีมันก็ตกมาจากท้องฟ้าหน้าาไรบางทีก็เป็นก้อนน้ำแข็งก็มีตกต่ำบางทีก็เม็ดฝอยๆลงมาตกตุ่มใส่โอง่งอ่พอขึ้นมาแล้วก็มันพอจะตักได้เอามาใช้ได้น้ำพอน้ำตกมาจากอากาศเราก็ตักขึ้นมาเอามาให้คนคู่คนแจกจ่ายกันไปให้เกิดประโยชน์แต่มีแต่ฝนลินไม่มีผลเป็นฝอย น้ำเมื่อคงจะไม่มีอันนี้เขามันมีน้ำมีลูกเห็บตกมาบ้างเป็นบางครั้งผู้ที่มองเห็นผลประโยชน์เห็นประโยชน์ในการช่วยเหลือชุมชนสังคมสิ่งเหล่านี้ถ้าผมไม่พูดให้พวกเราทั้งหลายน้องๆได้ฟังลูกๆ ล, ล้านหลานได้ฟังลูกหลานก็คงจะคิดอีกในแง่มุมหนึ่งที่ได้ยินมาจากภายนอกอาจจะเพไปไปตามเสียงภายนอกก็ได้อันนี้ พวกท่านทั้งหลายคิดนะผมสอนให้คิดผมบอกให้คิดให้คิดนะออสาหรับผมเองผมไม่ได้เดือดร้อนไม่นมีอะไรไปที่ไหนก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นไปที่ไหนเขาเอา๋อตอนรับครับสู้จะตุบปัจจัยได้มาแล้วก็เพื่อใครก็เพื่อโลกทั้งนั้นแหละเราต้องการอะไรของใช้กับผมก็ใช้เหมือนกับหมูกับเพื่อนก็เหมือนกันปีหนึ่งมัน กีวรที่สังคาติผมใช้อยู่เนี่ยถามพออยู่ใกล้ชิดผมเปลี่ยนปีละกี่ครั้งในผมใช้ผ่าคลองนะออไม่รู้ว่ากี่ปีเลยเนะี่ยผมใช้อยู่เนี่ยมันก็ไม่ขาดง่ายช่วงอื่นก็ไม่รู้จะใช้อะไรอีกต่อไปเมื่อได้มาแล้วก็เช่วยเหลือชุมชนสังคมวัดวาศาสนาที่สูงไร้ที่มันจําเป็นกัดข้องท่าฮาว่าใช้ไปแล้วก็เว้นเสียจะสร้างขึ้นมาทิ้งทิ้ทขวางขวางลุกลุก รู้ๆล้าๆโอ้อาลงตาท่านก็ไมา่เห็นด้วยเหมือนกันนะการที่ันเทนทางด้านวัตถุจนเกินไปก็ใช้ให้เกิดประโยชน์พอเหมาะพอสมเราอยู่ด้วยกันยังไงอยู่น้อยองค์เราก็สร้างขึ้นมาอีกดังนึงอยู่มากเราก็สร้างอีกให้มันเพียงพอสำหรับใช้แต่สำหรับวัดของเราผมคิดว่าน่าจะเพียงพอหรือว่าหมู่พเพื่อนที่มาอยู่ด้วยกับผมเห็นว่ายังไงกัน คงจะถามไถ่กันดูถ้าไม่กล้าพูดกับผมก่อนพูดที่มาอยู่ใกล้ผมบอกก็ได้นะบอกวาเนี้หลวงพ่อสร้างแต่ทางอื่นพวกเราเดือดร้อนคัดข้องด้วยปัจจัยสี่ไม่ไม่ถูกต้องเอาออกทางนอกมากเกินไปผมก็จะฟังจะเรียกมาหมูพวกเพื่อนมาหารือว่าเออมีอะไรสีแจงให้ฟังสีขาดเหลือขาดตกอะไร ผมก็จะได้ทำความเข้าใจกับพวกลูกห ล, กลานที่อยู่ภายในวัดผมก็มองๆดูแล้วก็ไม่เห็นอะไรที่จะขัดข้องก็มีแต่ให้พ่อมพากันรีบเร่งภาวนาภาวนาของใครของเราเท่านั้นแหละท่านไหนหาทางพ้นทุกแต่จุดหนึ่งอีก่านงผมอยากจะบอกกล่าวหรือว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราท่านหลายก็มุ่งเน้น เรื่องภาวนาหาทางพ้นทุก เ, เพื่อภาวนาเพื่อจะให้พ้นทุกอันนี้คือความมุ่งหวังมุ่งมั่นในจิตในใจของพวกเราสูงมากแต่ละคนพอบวดเข้ามาแล้วเพื่ออะไรเพื่อมาภาวนาหาทางพ้นทุกเร่งภาวนาเพื่อพ้นทุกไม่ในวัฏฏะสงสารตามแนวพระอริยประณีของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนพระสง์ อันนี้ก็คือพวกเราที่มาอยู่ในวัดของผมผมมองเห็นแล้วพวกเราบางองค์เป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงๆเพื่อจะพ้นทุกข์แต่บางครั้งนะที่ผมได้ยินก็อยากจะกล่กลาวเตือนพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะในครั้งพระพุทธเจา้าบางองค์พระบางองค์ท่านภาวนาแล้วก็เข้าใจผิดพอภาวนาเข้าไปตัวเองว่าตัวเองหมดกิเลสพอพูดขึ้นมา พระ อ, องค์ก็เรียกมาถามเป็นยังไงท่านภาวนาแล้วเป็นยังไงแต่บอไล่เลียงไปแล้วเออไม่ใช่อันนี้ท่านเข้าใจผิดนะแต่บางองค์กับภาวนาผมไม่มีอะไรแล้วผมจบผมไม่มีอะไรที่จะทำแล้วหยุดในการที่จะไปหยุดที่จะคิดหยุดที่จะทำผมไม่มีอะไรแล้วว่างแล้วว่างแล้วพระสงฆ์ทั้ไหลายก็นนำกาบทูลระพู ด, ดยาวาเนี่ยพระองค์เนี่ย พูดคําว่าว่างคํำนี้นะ่ะไม่มีอะไรนี่ยก็แสดงถึงพยากรณ์ถึงพระอรหรันห์องเออเรียกมาเรียกมาเธอเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงทําเป็นยังไงองค์นั้นก็พูดให้ฟังเออเนี่ยองนี้หมดจดจากกิเลสแล้วนะเป็นพระอรหันแล้วนะพวกเธอทั้งหลายอย่าไปพูดเขาจบแล้วเขาว่างจริงๆริงาปล่อยวางจริงๆไม่มีอะไรแล้วนะพระสงฆ์ทั้งหลายก็ยอมรับ อันนี้คือพระพุทธเจ้าพระยากรแต่มาถึงยุคของเราเนี่ยถ้าพูดออกไปแล้วก็ใครก็าาตามหมูพวกเพื่อนองค์ไหนก็ตามถ้าภาวนาได้ระดับไหนก็ตามให้อยู่ในใจไว้ก่อนอย่าไปพูดผงผางอย่าไปทำออกไปมันเสียหายบางทีบางทีบางอย่างหมู่พวกเพื่อนก็ให้สังเกตเ อ, อ, อย่างเมื่อไม่นานมาเนี่ยมีท่านองค์หนึ่งท่านก็ว่าท่านได มักได้ผลนะะพอมาช่วงหลังๆท่านก็บอกมาพูดว่าโอ้ผมเข้าใจผิดผมเข้าไปเข้าใจในจุดนั้นผิดไปมันอย่างครับอันนี้ก็มีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมก็อยากจะเตือนย้ำเตือนให้กับหมู่พวกเพื่อนทุกองแต่ไม่ใช่ให้พวกเราท้อถอยกำลังใจนะแต่ให้ภาวนาแต่เมื่อได้ขึ้นมาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นต้องสังเกตต้องดูซะก่อน อันนี้เป็นของจริงและเป็นของปลอ ม, มเมื่อเราไปขุดออทองขึ้นมาในแผ่นดินมันสีเหลืองเหลืองอันนี้เป็นทองหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องเอาขึ้นมามาขัดสีดูเออมั น, นจะเป็นทองอะไรทองคําแท้กี่เปอร์เซ็นตนะ์อย่างนี้เป็นต้นนะถ้ามันเป็นทองคําแท้มันจะไม่ไม่เสื่อมสลายไปที่ไหนมันจะอยู่กับตัวถ้าเป็นทองปลอมนั่นนั่นแหละเออมันจะเศร้าหมองอผลในสูตรก็นะ่ะเอาไปต้มตะลุงเป็นข้าวเป็นทอง ทองไม่แท้ทองปลอมนี่กเหมือนกันการที่ภาวนาสำหรับหมูพวกเพื่อนพวกบางองค์พอภาวนาเห็นว่าตัวเองได้สาเร็จหรือว่าจิตใจอยู่ในระดับหนึ่งก็เป็นผู้อยากจะสอนคนอื่นนั่นหละคือตัวกิเลสการอยากจะสอนคนอื่นสอนไปเพื่ออะไรแต่ถ้าว่าหมูพวกเพื่อนเข้ามาแล้วเออเอาแนะนำบอกกล่าวอย่างนี้นี้อานการแนะนาบอกกลนะ่านั้นเป็นเป็นส่วนที่ถูกต้อง แต่ว่าจะออกมาออกนอกลูก่นอกทางไปเห็นใครก็อยากจะเทศม่อยากจะจะพูดอยากจะแสดงความคิดเห็นอันนั้นให้พวกท่านทั้งหลายตราหน้าไว้ก่อนก็ได้นะอย่าเพิ่งให้คะแนนอย่าเพิ่งให้คะแนนให้ฟังรู้ก่อนเออองนี่มันมันฟุ้งนะมันออกไปข้างนอกนะมักใหญ่ไฟสูงเลยนะนะสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายค่อยๆดูกันเบรกกันเอาไว้แต่สําหรับผมผมไม่ยกย่องใครๆง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะว่า หลวงตาเนี่ยเคยบอกผมเฮ้เรานี่นะยกย่องใครโดยมากยกย่องใครโดยมานคนนะมันเสียน่ะมันเสียน่ยบางเสียเสียหลายคนละ่ะที่เรายกย่องเพราะฉนั้นเราจึงยกย่องคนไม่ขึ้นนะ่ยอันนี้คือคือหลวงตาหลวงตาที่ท่านพูดให้ผมได้ยินไม่รู้กี่ครั้งเพราะฉะนั้นท่านก็เตือนเตือนเราเองเตือนผมนั่นเองนีโดยมากเรากับหลวงตาเนี่ย โดยมากท่านจะไม่ย่องไม่ยกย่องผมนะโดยมากพี่ตึกมองดูแล้วการทำด่าเห็นทําถูกถแล้วไปถ้าสิ่งไหนทาไม่ถูกนะั่นนะตาเขียวปัดระวังเลท่านนะอันนีน้เราก็ต้องระวังเลยขนาดเดินตามหลังท่านอากับกิริยาของท่านเราก็สังเกตท่านพอใจหรือไม่พอใจในอยู่กับหมูกับเพื่อนมากๆเหมือนกันเราเห็นเลยเรารู้เลยว่านนี่คือท่านไม่พอใจ อยู่กับมูมกเพื่อนแต่มูเพื่อนไม่ได้สังเกตแต่ผมเลยสังเกตมองเกือบแป๊บรู้เลยอันนี้คือท่านไม่พอใจไม่พอใจที่มูพวกเพื่อนเขามามามาตรงนี้อาจจะไม่พอใจกับใครอาจจะพอกับเราก็ได้นะในเรื่องนีถ้าว่าผมมีช่องว่างผมก็จะต้องกราบยกมือแนละ้วผมก็จะต้องหลบไปก่อนเพราะเหตุไรเพราะผมรู้แก่ใจนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่กับครูบาอาจารย์ ให้เป็นผู้สังเกตดูเสมอเพราะท่านไม่ควาว่าคุ้นเชื่องนอนใจกับผู้ใดใครผู้หนึ่งมันมีไม่มีความนอนใจความนอนใจความไว้ใจนั่นหละบางทีอาจจะมีสิ่งที่ไม่ไมพึงปรารถนาเกิดขึ้นก็ได้เพราะความไว้ใจภัยจึงตามมาแต่เขาไม่ถึงขนาดภัยจึงตามมาถึงขนาดนั้นแต่ว่า ต้องระวังนี่แหละขอฝากไว้กับหมูพวกเพื่อนน้องนุง่งทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายทุกองค์ถึงจะภาวนาได้ระดับไหนก็ตามให้อยู่ในใจไว้ก่อนแต่เมื่อยังไม่ใช่กาละเทศการสถานที่บุคคลมันยังไม่ถึงไม่ยังไม่ถึงเราที่จะให้ธรรมะเราก็ต้องเอาเก็บไว้ก่อนมันจริงไหมถ้ามันจริงต่อไปมันก็จริงอย่าไปอย่าไปคิดอกอย่าไปคิดว่ามันจะเสียโอกาสหมดโอกาส ต่อไปภายภาคหน้าเราจะสอนแนะนําสั่งสอนใครก็ได้ไม่ใช่ว่ามีธรรมะหรือตั้งธรรมาะ ก, กันถกเทศกันคนละแหง่งคนละหนุนจนวัดแตกนะอย่างนั้นมันถูกต้องไหมมันไม่ถูกนะต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ในเมื่ออยู่วัดไหนอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใดต้องเคี่ยวเล็บต้องหุบไว้ก่อนจนกว่าเราออกไปข้างนอกจู่เป็นวัดวาศาสานาแล้วเป็นตัวข้องตัวแล้ว อ, อือันนั้นจะแสดงทำยังไง จะโปรยยังไงจะทํำยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของเราเป็นพุทธ บ, บริษัทของเราเป็นหมู่เพลกพวกเพื่อนของเราเป็นญาติโยมของเราเราจะแสดงยังไงอันนั้นก็ได้แต่เราก็ต้องมีอายุพรรษาพอสมควรซะก่อนอไม่ใช่ว่าปู ป, ปับออกไปแล้วขันหน้าขันหลังโพสุดทาไม่ศาสนาเสือ่อมตั้งที่จะเป็นเกินเชิดชูบูชาศาสนาโพ้นสุดเป็นการทํำร้ายทําลายพระศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น เราก็ไม่ได้ช้ำใดเติมท่านออกเสียงโลงดังทั่วประเทศพ้นสุดนะาหายต๋องเข้ากีบเมฆคนพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองยังไม่รู้สึกตัวอีกตั้งหากเพราะสิ่งเหล่านี้อยากให้พวกท่านทั้งหลายอย่าใช้ศรัทธาอย่าใช้ศรัทธาอย่างเดียวต้องใช้ปัญญาด้วยต้องใช้ความรอบครอบด้วยมิใช่ว่าเราเก่งเรา เป็นอย่างที่เราต้องการแล้วก็จะไปพูดให้ใครต่อใครฟังมันต้องมองดูศรัทธาของเขาศรัทธาเขานี่มันมีมากหลากลาหลายเหลือเกินคนที่มีศรัทธากับเราคนที่ไม่มีศรัทธากับเราคนที่จะคอม็มนเราคนอิจฉาเรามันมีมากเพราะนั้นให้เราให้รู้จักการสถานที่บุคคลการเช่นไรควรจะ อ, ออกบอกกล่าวการเช่นไรควรจะ อ, อยู่ในความสงบซะก่อน อย่างผ ม, ผมก็เหมือนกันขนาดผมมาอยู่ที่นี่พวกท่านลัตนาภพออกเทปใหม่ๆเห็นไหม อ, ออกเอ็มพีสามใหม่ๆทั้งที่ผมมาอยู่ที่นี่ปีส8ปเพิ่งเริ่มออก MP3 สผมปวดสองพห้ายแดแล้วก็สี่สิบปดพอสสมรแล้วสี่สบปดศูนย์แปดสี่สบดพันษาผมเท่าไหร่ ขนาดผมออกคณะยังมีการต่อต้านนะยังมีบัตรสนเทมาถึงผมอาจารย์อินออกเอ3มสามอวดแข่งกับคูบาอาจารย์องค์นั้นทาไมไม่ออกองคนี้ทาไมไม่ออกอาจารย์อินทำไมออกเนทั้งที่ผมก็ว่าอายุมากพอแรงแล้วเกวันแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนที่อยู่กับผมจากนั้นก็หมู่พวกเพื่อนก็ได้เอาเอ็มพสของผมออกไปแต่ผลในสุดเขาก็ตํ้หนิ ตำแหนิงพง ก, ก็บอกว่าการตำหนิงอย่างนั้นไม่น่าจะถูกถ้าตำหนิงก็คงจะตำหนิงที่ว่ากันไหนพูดอย่างไงเป็นการดูถูกเยียดหยามครูบาอาจารย์หมหรือเป็นการแนะนำสั่งสอนอย่างไรเพราะอายุปรรษาของผมก็ออกป่าเข้าเป็น30เกือบ40แล้วมันผิดที่ตรงไหนนี่แหละเพียงแค่นี้คำต่อคำ ออกไปมันก็ไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทํามีอายุพรรษามากขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้ว่าจะบอกเกา่าแนะนําสั่งสอนแต่ตามไม่จริงถ้าหากพรรษาอายุพรรษาของเราอย่างน้อยเราไปพูดออกไปอย่างนั้นมันเสียหายใชมากกว่าผยองพองตัวใชมากกว่าเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังสําหรับพระกรรมฐานสายของหลวงปู่มั่น อ, อ, อย่าลืมตัวพูดง่ายๆอย่าถนงทนอย่าลืมตัว ให้รู้เท่ารู้ทันการเวลาเหมาะสมยังค่อยแสดงออกซึ่งค่อยพูดให้เป็นศีลเป็นธรรมแต่ถ้าว่าเราเออออกไปไม่เท่าไหร่นะี่ภาวนาพอจิตใจสงบหน่อยเดียวออกมาอวดอ้างวางเขา เ, เทศน์นู้นเทศน์นี่แสดงนูน้นแสดงนี่พูดที่อยู่ใกล้ๆแล้วหมู่พวกเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะพอเห็นแล้วอ้วกจะแตกทลนี่นี่แหละสิ่งเหล่านี้มันต้อง สัมพันธ์ทําไมตรีในหมู่พวกเพื่อนให้เคารพนบน้อมให้มีสัมมาคาระวะในหมู่พวกเพื่อนเดียวกันแต่ขนาดผมผมอยู่ในหมู่พวกเพื่อนนะในหมู่ในเพื่อนนะแต่รุ่นของผมไม่เป็นไรรุ่นของผมก็คือไ ท, ท่านนบพดลบ้างท่าน เ, าเยือนบ้างมันก็ไม่มีไม่กี่องค์เพระาะพระฝรั่งมากในช่วงในช่วงนั้นที่ผมอยู่บ้านตาดนะตามไม่จริงผมอยู่องค์หลวงตาตั้งแต่สองพ 2น่ะร1อยสงรผมก็เข้าไปแล้วอาจารย์ยูนก็ออกแล้วออกจากนั้นน่ะองตาให้หยุดผมก็เข้าไปทำดูแลท่านปัดกวาดทำความสะอาดรับบาตรจีวรตอนเช้าเข้าไปถูดูแลทุกสิ่งทุกอย่างผมรู้หมดแนวปฏิปทาขององค์ลงตาที่ท่านเลือบเน่ยผมก็รู้เลยพอใจไม่พอใจผมรู้เลยผมเองเป็นคนจัดอาหารที่ วัดป่าบ้านตาทําทุกอย่างเพื่ออองหลวงตาอนะแต่พอมาช่วงหลังๆนี้พระรุ่นใหม่เข้าไปผมก็ได้ทือโอกาสลาเลยให้หมู่พวกเพื่อนอยู่ต่อไปอันนี้คือรุ่นคุคนรุ่นคนรุ่นหลังเข้าไปผมถอยถึงมาอยู่ที่นี่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ยี่สิบกว่าปีน่าจะเพียงพอดีก็ดีชั่วก็ชัว่วอยู่กับตัวเองทั้งหมดนะ่ะละอยู่กับตัวเองนั่นแหะผมจึงได้ถอยออกมา มาจำพรนษาปีนอยู่ที่นี่ปี25านะบวชปี 2,500 นร้อยบวชเป็นพระปีศูนย์แออกมาอยู่ที่นี่ปี25ให้พวกเราท่านต่างหลายนับดูก็ดีก็แล้วกันเราอยู่กับครูบาอาจารยนะ์ยกว่าพรรษาก็น่าจะเพียงพอนี่แหละเีผมออกมาอยู่เสียถึงออกพาอยู่ที่นี่ก็เถอะผมก็ยังเข้าเข้าออกออกถ้าถามพวกนี้พวกที่อยู่กับผมพวกนท่านรัตน ไอ้ผมบอยปะแล้วเลยผมห่างเหินแม้กับองค์หลวงตาบางที ก, เก็เดือนแล้วสองครั้งก็มีเดือนละครั้งก็มีบางทีมันมีกิจธุระก็ห่างไปเว้นเดือนก็นไม่นานไม่นานมากขนาดนะั้นแต่บางตางบางทีหลุงตาเข้ามาเนะนี่ยเมื่อเราไม่เข้าไปลุงตาเข้ามา น, ะนี่อันนี้ก็คือเราไม่ได้ห่างเหินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ห่างเหินจากองค์หลวงตาอันนี้ก็คือย้อนพูดย้อนหลังให้ฟังเพราะเหตุไรอย่างนี้แหละพูดย้อนหลังตั้งแต่ เรายกย่องใครคนนั้นจะเสียเพราะนั้นเราจึงไม่ค่อยจะยกข้องย่องคู่ค น, นกับพระเนนของเราไม่จะขู่ไว้ท่านว่านี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองนะท้าวว่าภาวนาอะไรก็ตามท่านได้แล้วอยู่ในคมในฝักไว้ก่อนอดีนะอย่าไปถอดออกมาเพ่นพ่านทําให้คนอื่นที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ทําให้ ประมาทในหมู่ในคณะได้ให้อยู่ในคัดในอยู่ในฝักอยู่ในศีลในธรรมไว้ก่อนนะมีอะไรทามันถึงคราวมันออกเองมันออกเองอย่างผมทุกวันนี่จะทำยังไงหลวงปู่บุญมีท่านก็แก่แล้วหลวงปู่มีบุญรีท่านก็พูดไม่ได้แล้วท่านแล้วจะให้ลูกสิ์ลูกหาลูกตาไม่มีใครพูด เ, เลยอย่างนั้นใช่ไหมแล้วใครจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีใครพูด อยู่ในใจของไครของเราทั้งหมดนะนี่แหละอันนี้บางทีบางครั้งผมก็ได้พูดได้แสดงความคิดเห็นเพื่อหมู่เพื่อคณะนะะไม่ใช่เพื่อเพื่อเราเราในต้องการอะไรผู้พกเพื่อนมาอยู่กับผมผมจะรู้ได้แล้วว่าฮขนาดนี้ยังไม่พอเลยหลวงพ่ออินฮนะอัติเลกราบญาติโยงขนาดนี้ยังไม่พอเลยหลวงพ่ออินเนะนี่แหละผมพอแล้วยอมแพ้ อ, อีกต่างหากเรื่องลาบเรื่องยศไปเอาไปทําไม อายุถึงขนาดนี้แล้วอีกไม่นานฮอีกไม่นานฮออีกไม่นานคืออะไรความตายเข้ามาถึงนั่นแหละก่อนที่จะตายคนจะเอาคุณงามความดีประกาศคุณงามความดีควรจะสั่งสมคุณงามความดีสิ่งไหนคิดดีทดําดีพูดดีที่สุดควรจะทําสิ่งนั้นให้มันเกิดในพระพุทธศาสนาเพราะเราได้มาพึ่งพาใส่พระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่หายนะน่งหายจึงไหนที่มันจะเสียหายนะ อย่าทำไปอยู่นสถานที่ใดก็ตามอทีแรกกับเหมือนกับเราเนี่ยเป็นผู้มุ่งมั่นอัดทมพอต่อไปต่อไปเนี่ยถ้าคนไม่มีธรรมในใจพระไม่มีธรรมในใจเนี่ยมันล่อยหลอนะคล้ายๆว่าความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันล่อยหลอเมื่พอมันล่อยหลอลงไปท่านนั้นมันทําความชั่วเสียหายขาดเออะไรหลายๆอย่างวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดทางนี้ทั้งนั้น ให้เป็นข้อสังเกตให้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราที่มาอยู่ที่มาอยู่กับผมที่มาศึกษากับผมผมไม่ให้ใช้สัตไม่ให้ใช้ศรัทธาอย่างเดียวนะให้ใช้ปัญญาสัมะยุตด้วยให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ศรัทธาให้ใช้ความเพียรให้เต็มบริบูรณ์อันไหนควรเหมาะถูกต้องเหมาะสมอย่างไรไม่เหมาะสมอย่างไรให้ใช้ปัญญากันกรองไตรตรองดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวา ดูมนุษย์หมูดูหมู่พวกเพื่อนทุกองดูรอบด้านรอบข้างนั่นแหละจึงจะเป็นหนทางกลาบพื้นและถูกต้องผมว่านะตอนนี้ไปนั่งคู่เขากราบพรนะ น, นั่นะีอนะ